ปัญหาข้อที่อเองเหตุไรทั้งๆที่เอสเทโรเบสเป็นคารวาสมีครอบครัวแต่ก็สามารถรักษาความสามารถในทางตาทิพและหูทิพไว้ได้โดยธรรมดาสำหรับคนที่เกิดมามีตาเป็นสื่อหรือมีหูเป็นสื่อติดต่อกับโอปปาติกาได้ซึ่งเป็นเพราะมีวิบากในทางนี้มาตั้งแต่ชาติก่อนนั้นในเมื่อมาฝึกในปัจจุบันนี้อีก ก็เท่ากับเป็นการรื้อฟื้นเอาความสามารถดั้งเดิมให้พัฒนาออกมาและในเมื่อคนคนนี้มันฝึกเพื่อรักษาความสามารถอันนี้ให้คงอยู่เสมอคนประเภทนี้แม้จะมีชีวิตอยู่เป็นคารวาสมีครอบครัวมีชีวิตเหมือนคนธรรมดาแต่ถ้าหากมีความนึกคิดถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นอย่างเลือกซึ่งอยู่เสมอคุณธรรมเท่าที่มีอยู่นี้ย่อมเป็นการเพียงพอที่จะรักษาความสามารถที่มีอยู่ไม่ให้เสื่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าโดยธรรมดาคนที่ไม่มีความกดดันอยู่ในใจหรือถึงแม้จะมีอยู่บ้างแต่ก็มีน้อยเนื่องจากมีโอกาสได้สนองความต้องการตามนิสัยสันดานหรือตามธรรมชาติที่มีอยู่ฉะนั้นโอกาสที่จิตใจจะสงบไม่ฟุ้งซ่านด้วยกิเลส คล้ายกับมีชีวิตอยู่เหมือนกับนักบวชภาวะแห่งจิตใจเช่นนี้ย่อมจะมีอยู่เสมอถึงแม้จะไม่ตลอดทั้งวันและคืนแต่ในช่วงที่จิตใจสงบเยือกเย็นเหมือนกับชีวิตของนักบวชนั้นย่อมจะต้องมีอยู่อย่างแน่นอนและโดยอาศัยสภาพของจิตใจที่คล้ายกับนักบวชซึ่งมีอยู่เป็นระยะระยะหรือมีอยู่เป็นช่วงๆในชีวิตประจาวันอันนี้ละ่ะที่ทำใเสเโเบิ e เมื่อต้องการจะติดต่อกับท่านเมฆแดงหรือใครก็ตามที่เป็นโอปปาติกะจึงสามารถทําได้เสมอแต่เรื่องอย่างนี้สําหรับคนไทยที่เป็นชาวพุทธซึ่งเคยเรียนรู้เรื่องพุท ธ, ธศาสนามาแต่ไม่เคยเข้าสมาธิได้เลยย่อมไม่อาจที่จะเข้าใจได้เพราะการที่จะเข้าใจในเรื่องจิตใจของคนอื่นนั้นโดยธรรมดาจะต้องเปรียบเทียบไปจากตัวเองฉะนั้น ในเมื่อตัวเองไม่เคยเข้าสมาธิได้เลยแล้วรู้สึกอยู่เสมอว่าการอยู่เป็นค า, ารวาสจิตใจจะเป็นอย่างไรเขารู้ดีในเมื่อตัวเองเข้าสมาธิไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะมองเห็นว่าคนอื่นซึ่งก็เป็นค า, ารวาสเหมือนกับตัวเองเขาก็ย่อมจะมีจิตใจไม่ผิดไปจากตัวเองเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยอมเชื่อว่าคนที่เป็นค า, ารวาแต่มีความสามารถอย่างเอสเทลโรเบิร์ตนั้น จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และยิ่งผู้ที่เป็นนักบวชที่ไม่ค่อยจะได้สนใจกับเรื่องสมาธิหรือเคยสนใจบ้างแต่ก็เข้าสมาธิไม่ค่อยได้เพราะมีความกดดันทางอารมณ์สูงหรือเพราะไม่มีเวลาจะฝึกเนื่องจากมีภาระในด้านอื่นมากหรือเพราะอะไรก็ตามก็มักจะไม่เชื่อว่าคนอย่างเอสเทลโลเบิร์ตจะมีได้อันที่จริงในเวลานี้ คนที่เป็นค า, ารวาสซึ่งก็มีชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปแต่มีความสามารถที่จะติดต่อกับโอปปาติการได้มีอยู่ไม่น้อยและบางคนก็มีความสามารถราวกับผู้วิเศษคือสามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและเป็นไปอย่างประหลาดก็มีเช่นจีนดิกสันเป็นต้นท่านผู้นี้เป็นคนอเมริกันเป็นคนมีครอบครัว เป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องนี้โด่งดังมากจีนดิกสันมีความสามารถในทางนี้มาตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนกับเอสเทลโรเบิร์ตและในปัจจุบันนี้จีนดิกสันก็ยังมีความสามารถเหมือนเช่นเดิมตัวอย่างในทํานองนี้ถ้ามองจากทัศนะของคนไทยที่ยึดมั่นอยู่ในตําราของพระพุทธศาสนา ซึ่งงานที่จริงก็เป็นการยึดมั่นอย่างชนิดที่ไม่ได้เข้าใจความหมายของคำพีอย่างละเอียดลึกซึ้งคนประเภทนี้ก็มักจะไม่ยอมเชื่อว่าคารวาจะมีความสามารถเช่นนี้ได้อนหนึ่งโอปปาติกะองค์ที่อธิบายเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟังนั้นท่านได้ให้ข้อคิดอีกแง่หนึ่งว่าคนบางคนดื่มเหล้าอยู่เสมอทั้งทั้ที่เขาก็รู้ดีว่าเหล้าไม่ดีและก็รู้สึกจริงๆว่ามันไม่ดีอย่างไร ขอให้สังเกตว่าคนประเภทนี้บางคนถึงแม้จะติดเหล้าแต่พื้นจิตใจของเขาก็ไม่ได้ต่ำแม้เขาจะได้ชื่อว่าเป็นคนขี้เมาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเมาวันยังคำ่ำคนประเภทนี้ย่อมมีเวลาที่จะไม่เมาซึ่งในช่วงที่ไม่เมานี้เขาก็จะเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นๆและบางคนซึ่งอยู่ในจำพวกขี้เมานั้น ถ้าพื้นเดิมเป็นคนมีจิตใจสูงเข้าใจเรื่องชีวิตมาอย่างลึกซึ้งก็ขอให้สังเกตไว้ว่าแม้เขาจะดื่มเหล้าจนรู้สึกเมาแต่สติสัมปชัญญะก็ยังไม่เสียยังคงทำงานได้ไม่ผิดพลาดพูดได้ถูกต้องมีเหตุผลเหมือนกับคนไม่เมาคนประเภทนี้ในเวลาที่ไม่ได้ดื่มเขาจะเป็นคนที่มีความคิดประณีตสุขุมกว่าคนบางคน ทั้งที่คนที่ว่านี้ไม่ใช่คนขี้เมาไม่เคยดื่มเหล้ามาเลยแต่พื้นเดิมเป็นคนธรรมดาจิตใจไม่สูงมาก่อนเพราะฉะนั้นจึงควรจะคิดดูบ้างว่าคนบางคนทั้งที่เมาแต่ทำไมสติสัมปะชัญญะจึงยังมีอยู่ได้ฉะนั้นในขณะที่เขาไม่เมาเขาไม่ดื่มเขาจะมีสติสัมปะชัญญะสูงกว่าคนทั่วไปมากสักเพียงไร คนที่ทำอะไรด้วยความนึกคิดที่ถูกต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคนประเภทนี้แม้ในบางครั้งจะทำสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้พื้นจิตใจของเขาต่ำตรงกันข้ามการกระทำสิ่งที่ไม่ดีของเขากลับจะเป็นเหตุให้ความคิดที่ถูกต้องของเขาจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นและความกดดันภายใน ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญยิ่งที่ทำให้คนเราเข้าสมาธิไม่ได้ก็จะค่อยๆน้อยลงเพราะเขามีโอกาสได้สนองความต้องการคนประเภทนี้ในเมื่อชีวิตผ่านไวัยไปมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นจิตใจของเขาก็สูงขึ้นโดยลำดับฉะนั้นคนประเภทนี้แม้จะได้ชื่อว่าเป็นคารวาตแต่ภาวะทางจิตใจ จะมีลักษณะเป็นนักบวชที่แท้จริงมากขึ้นทุกทีเพราะเหตุนี้เอสเทลโรเบิร์ตจึงมีความสามารถดังที่ได้บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้และรักษาความสามารถที่อยู่นั้นไว้ได้ตลอดไปแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าคนที่จะมีความสามารถติดต่อกับโอปปาติกาได้ซึ่งในบางครั้งก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญ น, นั้น ความสามารถที่ว่านี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อในชาติก่อนต้องเป็นคนที่ได้สะสมวิบากในเรื่องนี้มามากเคยมีความสามารถอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มาแล้วในชาติก่อนส่วนคนที่ไม่เคยได้ฌานไม่เคยได้พิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนแม้ว่าในชาตินี้เขาจะมีโอกาสได้ฝึกสมาธิและถึงแม้จะตั้งใจจริงได้ครูอาจารย์ที่ดีได้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสะดวกในการปฏิบัติทุกอย่าง ก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะมีความสามารถถึงขั้นได้ฌานและได้อภิญญาแต่ตรงกันข้ามคนที่มีวิบากมาดีนั้นเมื่อได้มีโอกาสฝึกแม้จะไม่ค่อยสะดวกนักและใช้เวลาน้อยแต่ก็จะสามารถทําได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยมีวิบากในทางนี้มาก่อน